ถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงทำกาละสาเขาพึงเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาผ่องใสดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เนี่ยเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะครับในสูตรลักษณะนี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะในอิติวุตกะนะ ในอังคุตรนิกายเอกนิบาตนะครับฉบับเ1เล่มก็อยู่เล่ม32ข้อ45หนะครับหน้า94ก็กล่าวไว้นะครับชื่อว่าปณิหิตะนะครับอัจชวิกนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตผ่องใสได้ทรงพยากรณ์เนื้อความนี้แก่ที่สูทั้งหลายในสำนักของพระ อ, องค์ว่า ถ้าในสมัยนี้บุคคล น, นี้พึงกระทากาละไซบุคคล น, นี้พึงเข้าถึงสุขติเพราะจิตของเข้าผ่องใสเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนเชิญมาฉชนั้นเพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแลสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นจิตก่อนตายเนี่ยนะครับนับว่าสำคัญที่สุด น, น, นะครับนะแต่ว่าไอ้ก่อนตายนี่ก็เนื่องจากไปจากช่วงนี้แหละครับ ถ้าจิตช่วงนี้ไม่ค่อยดีก่อนตายก็จะไปทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะนะถ้าหากว่ามีการฝึกการหัดการเจริญพุทธานุสติศีลานุสติเป็นต้นเป็นอย่างดีแล้วก็จะสบายนะครับทีนี้ในฐานะเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องหมั่นฝึกในการเจริญอนุสติทั้งหลายนั่นเองนะครับเนื่องจากสัต์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฝึก อบรมจิตเนี่ยนะครับโดยมากเมื่อตายแล้วก็โดยมากก็จะไปสู่อาบายทุกติวินิบัตินรกซะส่วนใหญ่จริงๆนะครับทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าจิตเศร้าหมองก่อนตายซะส่วนใหญ่โอเคดูนะครับว่ายุงกับคนเนี่ยอะไรมากกว่ากาันปลวกกับคนนี่ไหนมากกว่ากันปลากับคนเนี่ยไหนววพวกกบพวกเขียดกิ้งกือไส้เดือนทั้งหลายแลยเนี่ยนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ที่เราจะไปเกิดในครันของใครมากคันในนกไก่ หมูทั้งหลายเนี่ยนะครับในวัวในควายเนี่ยนะหรือว่าเปรตเอกอะนะหรือนรกอีกนะครับเพราะภูมิทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีสิทธิ์ไปเกิดได้หมดเลยถ้าจิตเศร้ามองก่อนตายนะครับแต่ทีนี้เอ๊ฝึกยังไงไม่ให้เศร้าหมองก่อนตายนี่นะครับเป็นประเด็นสําคัญที่พระัตนตรตยช่วยเราได้จริงๆนะครับพระัตนะไตรเป็นที่พึ่งแก่สัตว์จริงๆในเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าพระ อ, องค์ไม่เป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเรื่องแค่นี้นะ พงษ์จะช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแค่จากอะไรนะบากสุคติหมายว่าตายแล้วไปสู่สุคติเนี่ยนะอู้ยเป็นเรื่องเรียดว่าจะชั้นกระจอกที่สุดนะครับในบรรดาเรื่องราทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนสัตว์ให้เข้าถึงโลกุตรธรรมได้นะครับสอนให้พ้นโลกยังสอนได้เลยจะกล่าวไปยัยสอนไปสุคติโลกสวรรค์นะครับ เพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับหรือสัตว์ให้พ้นจากวัตทุก์ได้จริงๆนะครับขอให้มีสัตว์ทินรีเนี่ยนะครับน้อมไปนะครับแล้วก็มีวิริยินรียภาคเพียรเรียนรู้ในพระธรรมคําสอนมีสติินรีย์หมั่นและลึกถึงคําสอนเหล่านี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ทําด้วยความสงบไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธินรียทําด้วยความอรอบคอบด้วยปัญญานะครับ เป็นปัญญินรียก็พอกพูนอินทรีห้าเหล่านี้เพราะอินทรีห้าเหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วอย่างลงแล้วก็อย่างลงสู่อมะตะนะครับก็เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ได้จริงๆนะนะที่บอกว่าสัตว์ส่วนโดยมากนะครับจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตหรือว่าที่จะกลับมาสู่โลกนี่น้อยมากนะครับทำให้นึกถึงข้อความในอัญญัตระสูตรนะครับในอามะกะธัญญาปยาน ปฐมวัคที่7นะครับในสัจจะสังยุตนะครับสังยุตตนิกายมหาวรารวัคข้อ 1,757 พนระครับพระองค์ตรัสว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยเอาไว้ในปลายพระนัขานะครับถือที่ที่มันมีทรายมีฝุ่นมีอะไรพระองค์ก็เอาเล็บพระองค์จะช้อนฝุ่นขึ้นมาแล้วตรัสเรียกพิสูนทั้งหลายมาแล้วตรัส ถ, ถามว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนยฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นมาไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันนะครับฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินน่ะนะพิสูุนทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนข า, ามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพนาาัขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวฝุ่นเนี่ยเทียบกับแผ่นดินเนี่ยนะครับผาแผ่นดินกี่พันล้านส่วนนะครับจึงจะเท่ากับฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยนะมันเปรียบกันไม่ได้เลยนะครับฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันสัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์เนี่ยมีน้อย โดยที่แท้สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์เนี่ยมีมากกว่าข้อนั้นพราะเฮไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัตว์นะครับถ้าเห็นอริยสัตว์เป็นพระโสดาบันก็จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกประมาณไม่เกินเจ็ครั้งนะครับก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าฉนั้นควรทําความเพียรเพื่อที่จะตรัสรู้ตามเป็นจริงวันนี้ทุกนะควรภาคเพียร น, นะ เพียรให้รู้ตามเป็นจริงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามิมนีปฏิปทานะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเออผู้ที่จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์เหมือนกับฝุ่นในปลายเล็บนะครับแล้วก็ไม่ใช่ในสังยุตตนิกายที่เดียวนะครับในอังคุตระนิกายเอกนิบาตในวรรคที่4นะครับในข้อ205พระองค์ได้ตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลายสัตว์ที่เกิดบนบก มีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในน้ำเนี่ยมากกว่าโดยแท้นะสัตว์ที่กลับมาเกิดในมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยสัตว์ที่กลับมาเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์เนี่ยนะมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่เกิดในมัชชิมชนบทเนี่ยนะมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในปัจจันตะชนบทในพวกชาวมิลรคฆะที่โง่เขลามากกว่าโดยแท้ นะชาวเมืองกับชาวบ้านนะจะมากกว่ากันอย่างนั้นอพวกที่โง่เขลาเนี่ยมีมากกว่าจริงๆสัตว์ที่มีปัญญาไม่โง่เง่าไม่เงื้งะสามารถที่จะรู้อัตถะแห่งคำเป็นสุภาษิตและคำเป็นทุพภาษิตได้เนี่ยมีส่วนน้อยส่วนสัตว์ที่โง่เคลาโง่เง่าเงืงะไม่สามารถที่จะรู้อัตถะแห่งคำเป็นสุภาษิตและคาเป็นทุพภาษิตได้เนี่ยมีมากกว่า โดยแท้สัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญานะครับจักสุอย่างประเสริฐมีส่วนน้อยสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชาหลงไหลมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้เห็นพระธรรมคตมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เห็นพระธารมคตมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เนี่ย มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจําธรรมะไว้ได้เนี่ยนะครับมีส่วนน้อยสัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจําไม่ได้มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ไตรตรองอัฏฐะแห่งธรรมะที่ตนทรงจําไว้ได้เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ไตรตรองอัฏฐะแห่งธรรมะที่ตนทรงจําไว้ได้มากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่รู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่รู้ทั่วถึงอัตไม่รู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจ มากกว่าโดยแท้สัตว right. ์ท um yeah. ี่สลดใจแล้วเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่สลดใจไม่เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายเนี่ยนะมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่กระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตเนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่กระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วไม่ได้สมาธิไม่ได้เอกคตาจิตเนี่ยมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่ได้เข้าอันเลิศและรถอันเลิศมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เข้าอันเลิศและรถอันเลิศยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสแสวงหาด้วยพัดที่นำ ม, มาด้วยกระเบื้องมากกว่าโดยแท้อันนี้ถ้าพูดถึงอินเดียนะก็ขอทานมากกว่าคนรวยวัางั้นเถอะสัตว์ที่ได้อัตยรตธรธรมรตวิมุติรสเนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้อัตยรตธรธรมรตวิมุติรสมากกว่าโดยแท้ เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่นรมมีป่าที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสระบกคกรณีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นที่ตั้งแห่งตอและหนามมีภูเขาระเกระกะเป็นส่วนมากฉะนั้นเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ได้อัตถรศธรรมรวิมุติรศ ดูความพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหนะร เ, เรื่องคนมิลขะเนี่ยผมสังเกตว่าพระเนนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาจากบ้านนอกกันเป็นส่วนมากเนาะจากชนบทบจากอะไรพวกนี้นะครั บ, รบแล้วเราก็เข้าไปสู่ตามเมืองตามอะไรที่เขาเเที่ทจเจริญอ่ะนะและ้วเราจะสังเกตเราจะ ระบุยังไงว่าเออพวกพวกพระในส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นมิลาข่าหรือเป็นเป็นชาวเมืองกันนะครับก็ให้รู้ว่าพวกชาวเมืองที่มาบวชเนี่ยมีน้อยเห่างนกันเถอะพวกชาวมิลาข่าไปบวชนี่มากกว่านะเอาก็มันได้งงเงาเงื้อเงะอะไรนะอเอกอเป็นสำนวนนะครับบางอย่างก็เป็นสำน ว, นวนว่าไม่สามารถที่จะพอรู้ธรรมะอะไรเนี่ยนะพูดถึงเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มากมั้งับเปอร์เซ็นต์ส่วนมากนะครับคือหมายความว่าพอจะสนทนาบุญบาปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับ พอที่จะสนธนากรรมและผลของกรรมบุญบาปเนี่ยนะยากแต่ว่าสนธนาเสียงเพลงเป็นต้นเนี่ยโอ้เ <c oughs> กลื่อนกลาดบ้านเมืองไปหมดครับอนอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อสองร้อยหกเนี่ยนะก็เห็นทราบซึ้งนะครับจะสัมพันธ์กับเรื่องที่กล่าวไปแล้วว่าดูความพิสูจนทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยนะครับยังมาดูเราฝุน่นในเล็บนะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตย์เดรัจฉานเกิดในเปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้มาว่าจากมนุษย์ไปอบายเนี่ยมากกว่ามนุษย์มาสู่มนุษย์เหมนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในเทพพ ย, ายดาเนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดจากมนุษย์ไปจุติในนรกเกิดในกำเนิดสัตย์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพพ ย, ายดา กลับมาเกิดเป็นเทพพยดามีส่วนน้อยสัตที่จุติจากเทพพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตีระชานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมีมากกว่าโดยแท้นะเทวดาจะกลับไปสู่คืนก็ยากไปอบายซะส่วนใหญ่นะครับสัตที่จุติจากเทพพยดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตที่จุติจากเทพพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตยรชานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้ ก็ถามง่ายๆว่ามากหรือน้อยก็ถามว่ากุศลจิตเกิดมากไหมล่ะถ้ากุศลจิตเกิดไม่มากก็อย่าวังอะไรมากนักนะครับสัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้นะครับไม่ใช่ว่าไปนรกหมดกรรมแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ง่ายๆนะโอ้ยัง ส j j ัตย์ที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพพญดาก็มีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรชานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรชานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยนะเดรชานมาเกิดเป็นคนเนี่ยนะน้อยมากสัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรชานไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้ สัตที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรชานเนี่ยนะครับไปเกิดเป็นเทพพ ย, ายดาเนี่ยมีส่วนน้อยน้อยแค่ไหนเคยเห็นยุงให้ทานไหมครับนั่นแหละมันน้อยมากกุศลจิตมันเกิดน้อยอะนะสัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตวเดรชานไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตวเดรชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้ สัตว er ์ท er ี่จุติจากปิติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย์มีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในเทเพภยดามีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยเนี่ยนะครับไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยนะมากกว่าโดยแท้ เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่อนรมมีป่าที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่อนรมมีสบกครณีที่น่ารื่อนลมเพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นลําน้ําเป็นที่ตั้งแห่งตอและน้ํามีภูเขากระเ ก, รกะเป็นส่วนมากโดยแท้ฉะนั้นนะครับเห็นว่าโหไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาเลยนะครับใครอย่าไปประมาทชีวิตเด็ดขาดนะครับ ด้วยอำนาของวิชาเนี่นะทำทำไม่ไม่ไม่บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ไงเราก็ไม่อยากจะเชื่ออะไรอย่างๆเลยจ้ะรับไม่ได้ครับรับไม่ใช่จะได้ครับครับเอออ ว, วิชามันปิดไม่หมดนะครับถ้าวิชาไม่ปิดก็ได้ดิบได้ดีไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากอวิชาเนี่นะปิดบังเอาไว้ก็เลยทําให้เข้าไปสู่ทุกทุกทั้งหลายนะครับสิ่งที่ไม่ควรได้ก็ได้สิ่งที่ควรได้ก็กลับไม่ได้เนี่ยนะครับ ก็โทษภัยของวัฏตะมก็เป็นอย่างนี้นะครับกนาตาบอดนะนะดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ยังมองไม่เห็นอีงนะครับชาติไหก็ดีสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาในโลกถึงมีพระธรรมคำสอนก็ที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบก็นับว่าอยากมากเพราะฉะนั้นให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏนะครับน้อมใจไปด้วยอานาจศรัทธาในคุณของพระตะนตรัยนะครับวันคี่ดูนะว่า จิตก่อนตายเนี่ยนะครับมีคุณพระรัตน์ตายเป็นอารมณ์เนี่ยนะหายากลองคิดดูนะครับขนาดพระคุณเจ้าไปแนะนํายังไม่ได้ไปแนะนําคุณพระรัตน์ตายในใกล้ตายเลยนะครับกนนับว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกรรมหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับที่จะปารบกรรมและผลของกรรมก่อนที่จะมีคุณของพระรัตนตรายหรือปารบจะให้ทานในเวลาใกล้ตายนะครับปารบสมาทานศีลในเวลาใกล้ตายได้ฟังธรรมในเวลาใกล้ตายเนี่นะ นับว่าหนักหนาสาหัสนะครับหายากมากจริงๆอันของเราเนี่ยนะครับก็ให้สลดสังเวทใจนะครับนี่ให้รู้จักสังเวทในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งสังเวทนะครับเผื่อจะได้ดิบได้ดีบ้าง